เห็นญาติทมพ่อพาแม่พานั่งกันเรียบร้อยอย่างนี้ก็ดีใจในพระไตรปิฎกก็เคยอ่านแล้วก็ไปไปเห็นแล้วก็ไปไปพบเมื่อครั้งเคยเจ้าสเส ด, ดจอนไปจะเข้าคุุ้งสาวถีหรื อ, อยังไไปทักนิลัมมณียาสถาน อย่าทำพาไปก็หวังพากันเสแวงบุญพากันไปคนไปก่อนคนมาที่หลังก็ไปแย่งที่กันส่งเสียเสียงกันเจียวเจ้าอยู่ในป่าเันลำมณียะสถานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่พระองค์ก็เลยเรียกพระอาหนอานอาโนนนครับก้อนมณีเสะอะไรกับผม ฟังเสียงกขาเรื่องหัดญาติโยมเขาทะเลาะ ก, กันเขาทะเลาะ ก, กันเรื่องอะไรพระธนะัญนาไม่ใช่ทะเลาะ ก, กันเขามาทําบุญเขาต้องการบุญต้องการกุศลเขาจะมาสร้างบุญใส่บาตรญยาดน้ําแจ่พระสมัมมาสัพพัฒณาพะยะาคาอ้าวแล้วทําไมจึงมีเสียงเกี่ยวจาวกันอย่างนั้นล่ะเหมือนกับทะเลาะ ก, กันมันไม่ใช่อาบุญนะ ที่นี่เป็นที่สงบเป็นลำ ม, มณียสถานสิ่งที่ให้เกิดบุญอยู่ที่ความสงบนั้นไม่ใช่อยู่ที่ฝนเจียวเจ้ากันอย่างนั้นนานเหมือนกับทะเลาะกันนะท่นนี่ไปบอกเขาด้วยแต่ว่าในตำนานในตำราพระไตรปิฎกบอกเอาไว้อย่างนั้นหรอกแต่มาเห็นญาติทำที่มาในทีโอทีห้องเราเนี่ยแม่เงียบสงบดีวะ่ะดีใจมาก อันนี้เป็นบุญเป็นกุศลจริงเพราะใครๆก็ต้องการบุญใครๆก็ต้องการกุศลแต่ก็ยังไม่เห็นว่าบุญมันอยู่ที่ไหนก็บุญอยู่ที่ข้าวฉันให้ผ่านเอาก็พาก็จีนก็จินอิ่มท้องผ้านเนี่ยมันได้บุญยมเพื่อได้ท้องแห้งหรือเปล่าโยมเนี่แล้วบุญมันอยู่ที่ไหนว่าได้บุญได้ยังไง ก็มีแต่ในตำราก็พากันอ่านตำราก็เชื่อก็เชื่ อ, อนในตำราเอพ่อพ่อแม่พ่อเชื่อกันลมุมลุมแ่งแรงหรือเปล่ามุ่อยู่ในหะนังสือจริงจริงเหรอขอาถามหน่อยนะแล้วก็ตอบในใจก็ได้วะ ถ้าหากไปเปิดตำลาอ่านบรรลุนี้เเคยได้ยินที่ไหนในตำลาไหนเขาบอกพระพุทธเจ้าคงไม่ได้เปิดตำราตัดสรุน่ะจริงหรือเปล่าหรือว่าพระพุทธเจ้ามาพิจารณาว่ามาพิจารณากายไม่ใช่เลย ก็มารู้ตรงนี้ไม่ใช่เหรอว่าเป็นบุญเป็นกุศลเอะเราเจะแก่เกิดแจ๊เจ็บตายแก่ที่ไหนหนอไม่เห็นพระพุทธเจ้าไปกลางตำลัดบ อ, อกบวชตัดสรู้นะในตำลา่าไหนเขาก็ไม่ได้บอกอเขาไว้รู้ว่าพ่อพ้าแม่พ้าเห็นที่ไหนอุจเน้นต้งซื้อซื้อเล่มไหนบอกหน่อยจะได้ไปคน้นว่ะ พุทธเจ้าคิดเจรนาในตัวตนสกลลากายไม่ใช่เหรอที่พากันบัญญัติน่นพระอรหันในครัพุทธกาลพากันบัญญัติเอาไว้เลียบเลียงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้เป็นพระไตรปิฎก 8ปดมืนสี่พันพระธรรมขันใช่ไหมนั่นเหลือบุญน่ะบุญอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีบุญไม่ใช่ว่าไม่ได้บุญได้พระพุทธเจ้าบัญญัติมาจากไหนที่แปดหมืนสี่พันพระธรรมขันก็มาจากกองสมมติตรงนี้ที่ตัวเรา ที่ตัวเรานะบุญน่ะเขาว่าทานาไมศีลไมและภาวนาไม่เรียกว่าบุญกิริยาวัตถุสิ่งเป็นที่ตั้งแห่งการบําเพ็ญบุญเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุมันมีอยู่สิบอย่างแต่ย่นลงมาเหลือสามคือทานไมบุญจะสําเร็จด้วยการบริจาคทานศีลไม่บุญจะสำเ ร, ร็จด้วยการรักษาศีลภาวนาไม่ บุญจะสําเร็จด้วยการเฉริมภาวนาะแล้วรู้ได้อย่างไงว่ามันมันสําเร็จแต่ทานมาไหมหรือว่าเอาข้าวมาให้พักินก็ว่าสําเร็จแล้วศีลแล้วไหมเรายังไม่ได้รับศนะีลแล้วถ้าหากรับศนะีลแล้วมันก็บุญอยู่ที่คําพูดนะั่นหรื อ, อปากเราว่าเอาใช่ไหมภาวนาไหม บุญจะสผลลัพธ์การเจริญภาวานาะคำว่าภาวานาะแปลว่าการเจริญคือมันเสื่อมหรือว่าไม่เสื่อมจิตใจของเราเสื่อมในศรัทธาความเชื่อหรือเปล่าที่จริงถ้ามันจะเป็นบุญจริงๆ จ, จะสําเร็จสมบูรณ์แบบนั้นมันต้องพร้อมด้วยองค์สามพอพูดว่าองค์สามก็จะสงสัยกันอีกละ องสามอะไรก็ทานสินภาวนามันก็องสามแล้วไม่ใช่หรือใช่ไม่ผิดอย่างนั้นขอถามหน่อยทำไมมรรคหนทางเดินจึงมีองแปดถ้าไม่มีองแปดมีแต่หนทางใครก็เดินได้ไม่รู้จะไปเข้าปา่าเข้าดงที่ไหนมีองแปดเป็นที่กำจัด บำบัดจีเลียดหรือว่าเหมือนกันเรามีไม้กวดกวาดหนทางให้มันเตียนไปทานนมัยศิลและไมแล้วภาวนาไมยที่พ่อพาแม่พพาที่นำมานี่ถูกต้องแล้วแต่ต้องพร้อมด้วยองค์สามะองค์สามคืออะไรใครตอบได้พูดให้ฟังน้อยพ่อพารู้ไหม ใจของที่กใจเราใช่ไหยก็มีส่วนที่จะสำเร็จเป็นทานาไม่ศีลละไม่ละภาวนาไม่องค์ประกอบสามก็คือกายวาจาใจของเราเน่นะเนะข้าใจไ้ยองค์ประกอบอ่ะลองถามกายตัวเองดูสิ กายมึงเป็นถามจริงไหมถามกายเราเองนะไม่ต้องไปถามคนอื่นถามกายอีกครั้งเถกายมึงบริสุทธิ์แล้วเป็นศีลแล้วใช่ไหมถามดูซิกายเราเป็นศีลไหมสะอาดบริสุทธิ์ไหมถามกายอีกครั้งสิกายมึงเจริญภาวนาอยู่มึงคงที่อยู่ไหมในการให้ทานรักษาศีลถามดูซิ พิจรารณากายนั่นแหละคือถามจริงพร้อมประกบอบด้วยองค์ที่หนึ่งองค์ที่สองคือวาจาวาจามึงเป็นฐานจริงไหมหรือพูดโลเลรอแล้วว่าจะทำาจะก็ไม่ทำเห็นไหมวาจาเอ๋ยมึงเป็นศีลไหมบริสุทธิ์ไหมคำพูดแต่ละคำเป็นสัตว์หรือไม่ ว่าจามึงจเจริญภาวนาอยู่ไหมในคําพูดนั้นตรงหรือเปล่าจะหรือว่าจะแวะเวียนอยู่ไหมคําพูดนั่นเป็นองค์ที่สององค์ที่สามคือใจถามใจดูสิใจมึงเสียสละทานจริงไหมถามดูสิถามใจเราเองไม่ต้องไปถามคนอื่นคนอื่นเขาทํามันก็ติดอยู่ในหัวใจของบุคคลอื่น ติดอยู่ในใจของบุคนติดอยู่ที่กายที่วาจาของคนเดินเราทำมันก็เป็นของเราที่มันติดเรารู้อยู่มันลบไม่ได้นั่นแหละคือบุญเราทำจริงเราคิดเจริาจริงกายของเราเสียสละจริงวาจารเราพูดเป็นความจริงใจของเราก็จเจริญอยู่ไม่เคยขาดเลยว่าเราจะเสียสละทานเราก็ ใจของเรารักษาศีบลบริสุทธิ์ใจของเราเนี่ดูแล้วว่าทั้งฐานทั้งศีลที่มีอยู่ในกายในวาจามันพร้อมอยู่แล้วสมบูรณ์อยู่แล้วสะอาดและบริสุทธิ์จริงนั่นแหละคือตัวบุญรับพรยาทาวาริวาหาปุลาริปุรเรนติสาคขลง เอวเมวอิโตทินังเปตาังอุปกัปปตีตอ cool ิช <niet systematically isme> ิตาปะพิตังตุมหังชิปเมวสัมมิชะตุสเทภูเรนตุสังกะปาจันโทปนระโสยทามนิโชติละโสยทาล วหัสตุลาเตพาววันตาลายโยซชีเดขายุโกทวะอาเพวานศีเลสนิพจางโตาปจายโนจตาโลธัมมาวัตันติอายุวันโนโซขัง อลังภาวตุสาบมังกลังลคันตุสาปฏวตสาวุตถานุภาเวนะสัาโสติภวันตุเตอภาวตุสาบมังกลังลคันตุสาปฏวตาสาวัานุภาเวนะสัดาโซติภวันตุเต พระวัตุสัพมังกาลังละคันโสัพเรวตาสาสังคาโนภาเวนะสดาสดีพระวันโเต